มันก็เน้นสันเสริมพระพิสูจ์ที่มีอภิญญาพิจารณาตรวจตราหมูสัตว์ที่กําลังจุติและอุบัติทั้งที่ทเลวประณีตมีผิวพันธุ์ดีมีผิวพันธุ์สามได้ดีตกยากพิจารณาหมูสัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมเนี่ยนะแล้วก็ท่านอธิบายต่อไปว่าเมื่อเห็นหมูสัตว์ที่กําลังจุติในหลายพันธ์จั ก, กรวาลอย่างนี้แล้วไม่ใช่ดูจั ก, กรวาลเดียวนะไม่ได้ดูบ้านเราบ้านเดียวนะมันดูกันเป็น ที่ถ้าพูดแบบภาษาเนี่ยนติดตั้งระบบดาวเทียมเนี่ยนะไม่รู้กี่พันดวงเนี่ยนะตรวจ ด, ดูไม่รู้กี่ห้องจั ก, กรวาลสรุปว่าตรวจ ด, ดูจะ ก, กี่จั ก, กรวาลก็ขึ้นชื่อว่าสิ่งเหล่านั้นพ้นจากความเกิดความแก่ความตายไหมไม่พ้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นยังจิตให้สังเวชในวัฏภยัยภายในวัฏตะสังเวชในกรรมสังเวทในวิบากสังเวทใน กิเลสสังเวชในอวิชชาที่เป็นปัจจัยที่มีสังขารสังเวชในสังขารที่เป็นปัจจัยแก่ปฏิสนธิวิญญาณสังเวชในปฏิสนธิวิญญาณที่เป็นปัจจัยแก่นามรูปสังเวชต่อนามรูปที่เป็นปัจจัยแห่งตาหูจมูกลิ้นกายใจสังเวชตาหูจมูกลิ้นกายใจที่เป็นที่ตั้งแห่งผัสสะสังเวชผัสสะที่เป็นเหตุแห่งเวทนาสังเวชเวทนาที่เป็นเหตุแห่ง ตันหาแล้วก็เวสังเวสตันหาที่เป็นเหตุให้ยึดถือด้วยอุปาทานสังเวสในอุปาทานที่เป็นเหตุให้เกิดภพสังเวสในภพที่นำไปสู่การเกิดในชาติต่างๆเนี่ยนะการเกิดในครันเกิดในไขสังเวสในการเกิดในครั์ที่นำมาซึ่งชาติชรามรณะโสกปริเทวทุกโทมนัสและอุปาญาสังสังเวสในสังสารวัตที่มีเบื้องต้นเบื้องปลายอันบุคคลตามรู้ไม่ได้อย่างนี้ก็ปฏิบัติเพื่อความ เบื่อหน่ายและคลายกำหนัดในวัตตะเพราะฉะนั้นก็เน้นทาให้แจ้งโลกุตระธรรมอันนี้เป็นความเห็นของพระอนุรุทธะพระพุทธเจ้าก็อนุโมทน า, าสาธุสาธุถูกต้องนะถูกต้องแล้วใช้ได้ใช้ได้นะสารีบทอนุรุทธะเมื่อจะพยากร์โดยชอบพึงพยากรณ์ตามนั้นเพราะพระอนุรุทธะย่อมตรวจดูโลกกระทัหรือว่าตั้งพันจักรวาลด้วยที่ประจักษ์อันบริสุทธ์ล่วงจกักศของ มนุษย์เนี่ยนะวันพระนนุรุธาท่านมีบุญมีความรู้มีความสา ม, มารถตรวจดูแสดงว่าตอนที่เราตายเราเกิดเมื่อสองพันกว่าปีเนี่ยนะไม่แคล้วาสายตาพระนนุรุตรโกท่านเห็นเราแล้วล่ะนะท่านเห็นแล้วท่านสังเวชมั้งเนาะคงสังเวชอนะไม่ใช่มุทิตาเนี่ยนะนนเรื่องนะถ้าตรวจเห็นตอนเช้าตอนสายตอนบ่ายตอนค่าตอนหัวค่าเที่ยงคืนกลางคืนตอนเช้าเนี่ยนะเขาจะนุโมทนาหรือจะสังเวชเรื่อง สงสัยเขาสังเวชพวกเราหน้าดูเลยนะให้คนอื่นเขาอนุโมทนาเนี่ยให้เขาฤิษยาหรือให้เขาการุณาเนี่ยขอให้คนอื่นฤิษยาเราหรือกรุณานเรานะนะขอให้คนอื่นเขาและแต่คิดเอากันแล้วกันเนี่ยนะให้คนอื่นเขามีความสุขแล้วกันต่อไปภาษารีบทก็กราบทูลเนื้อความนี้แด่พระพุทธเจ้าต่อไปว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเ<ม>นี่ยนะในข้อสามร้อยเจ็ดสิบเก้าหน้าสาสิบเ็ดเนี่ยนะ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อท่านพระอนุรุท ธ, ธกล่าวอย่างนี้แล้วข้าพระองค์ก็ได้กล่าวกับท่านพระมหากัสสปะว่าท่านกัสสปะปฏิภานตามที่เป็นของตนพระอนุรุท ธ, ธพยากรณ์แล้วบัดนี้เราขอถามท่านพระมหากัสสปะในข้อนั้นว่าป่าโคสิยงฆ่าสารวันเป็นสถานที่น่ารื่นรมราตรีแจมกระจ่างมีไม้สาระอ่อนไม้สาระมีดอกบานสะพรั่งทั่วต้น กลิ่นคล้ายทิพย์หอมฟุ้งไปท่านพระมหากษัตริย์ากโคเสีงข่าสารวันเพึ่งงามด้วยพิสุเห็นปานไรเมื่อข้าพระองค์กล่าวอย่างนี้แล้วท่านพระมหากษัตก็ได้ตอบข้าพระองค์ว่าท่านพระสารีบดพิสุในศาสนานี้ตนเองอยู่ป่าเป็นวัดและกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความเป็นผู้ที่อยู่ป่าเป็นวัด ตนเองเป็นผู้ถือเที่ยวบินธบัตเป็นวัดแล้วก็กล่าวสรรเสริญคุณแห่งความเป็นผู้ที่ถือบินธบัตเป็นวัดตนเองเป็นผู้ถือผ้าบางสกุลเป็นวัดและกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความเป็นผู้ถือผ้าบางสกุลเป็นวัดตนเองเป็นผู้ถือไตรจีวรเป็นวัดแล้วก็กล่าวสรรเสริญคุณแห่งความเป็นผู้ถือไตรจีวรเป็นวัดตนเองเป็นผู้มีความปรารถนาน้อยกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความเป็นผู้ ปรารถนาน้อยตนเองเป็นผู้สันโดษกล่าวสันเสริญคุณแห่งความสันโดษตนเองเป็นผู้สงัดกล่าวสันเสริญคุณแห่งความสงัดตนเองเป็นผู้ไม่คลุกคลีกล่าวสันเสริญคุณแห่งความเป็นผู้ไม่คลุกคลีตนเองเป็นผู้ปรารบความเพียรกล่าวสรนเสริญคุณแห่งการปรารบความเพียรตนเองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลก็กล่าวสันเสริญคุณแห่งความถึงพร้อมด้วยศีลตนเองเป็นผู้พั่งพร้อมด้วยสมาธิ ก็กล่าวสรรเสริญคุณแห่งความเป็นผู้พรั่งพร้อมด้วยสมาธิตนเองเป็นผู้พรั่งพร้อมด้วยปัญญาเนี่ยนะกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความเป็นผู้พรั่งพร้อมถึงพร้อมด้วยปัญญาตนเองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิมุตต์กล่าวสรรเสริญคุณแห่งความเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิมุตต์ตนเองเป็นผู้พรั่งพร้อมด้วยวิมุตติยานัทสนะก็กล่าวสรรเสริญคุณแห่งความเป็นผู้พร้อมด้วยวิมุตติยานัศนะท่านพระสารีบุตร ป่าโคสิยงฆาสาลวันพึงงามด้วยพิสูุเห็นป่านี้คือพิกษุที่ตัวเองปฏิบัติอยู่ในทุดงขัดกล่าวขูดกล่าวกิเลสแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวสั่นเสริญให้ผู้อื่นประพฤติปฏิบัติขูดกลาวกิเลสตัวเองเป็นผู้ปฏิบัติอยู่ในความมักน้อยสันโดษ วิเวกไม่คลุกคลีปรารบความเพียรกว่าเชิญชวนให้คนอื่นก็เป็นอย่างนั้นด้วยตัวเองเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยศีล ส, สมาธิปัญญาวิวมุตติวิมุติญาณทัศนะกล่าวสรรเสริญชักชวนเชิญชวนยกย่องให้ผู้อื่นประพฤติปฏิบัติตามนั้นด้วยนี่แหละป่าจึงจะ ง, งดงามด้วยพิสูจเห็นป่านี้พระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าสาธุสาธุเนี่ยนะ ไมปฏิบัติจนพระพุทธเจ้าอนุโมทนานี่แสดงว่าปฏิบัติดีใช่ไหมเป็นสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนยายะสามีจิปฏิปันโนทําไม่อย่างนี้พระองค์ไม่อนุโมทนาพระกภาษาทูภาธาทูนี่แปลว่าประทับตรารับรองอนะรับรองเรียกว่าแบบใช่ไหแบบคนมาตรฐานที่สุดในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์รับรองในความปฏิบัติดีในเยี่ยมขนาดไหนใช่ไหมไม่ใช่ว่าแม้ เขาชมว่าเราล้อหล่อบอกใครชมบอกไอ้คนตาเหลกตาเอียงแล้วก็ตาเกือบบอดแล้วเนี่ยนะเ้าชมมาว่าหล่อมากเังนกันนะนะอย่างที่ว่าโอ้ยสวยมากก็ใครชมบอกตาบอดเหมือนกันนะแม้ถ้าอย่างนี้ก็เอาเป็นประมาณไม่ได้ใช่ไหมโอ้ยทำไมพูดเสียงดีเหลือเกินเสียงเพราะมากบอกปไปไหนหูกําลังจะเสียแล้วแล้วหูเสียไปแล้วเนี่ยแล้วชมแม่ตาบอดชมรูปหูเสียชมเสียงแล้วก็คนจมูกด้วนคนจมูกแห่งเป็นต้นเนี่ยนะไม่มีกลิ่นเลยนะ เป็นหอมหอมไครและทํากับข้าวหอมจังเลยเนี่ยนะลิ้นจระเข้บอกแหมรถอร่อยจริงๆเป็นอมมาเพิกอมมาพาดบอกก็จับดูแลว้วนิ่มๆเนี่ยนะตัวเองเป็นอมมาพาดนะแล้วบอกอู้อานนท์ก็ น, นิ่มอันนี้ก็จะไปรู้เรื่องอะไรอย่างงไงเนี่ยนะมันก็เอาคนอย่างนั้นเป็นประมาณไม่ได้มันต้องเอาแบบเนี่ยระดับพระพุทธเจ้าเป็นต้นเป็นประมาณเนะี่ยรียกว่าสายตาที่เที่ยงธรรมและยุติธรรมสายตาของผู้มีปัญญาเนี่ยนะ ว่าผู้ที่มีปัญญาเขาอนุโมทนาตรงนี้แหละเป็นประมาณต้องพยายามเอาลักษณะนี้เป็นประมาณอย่าไปเอาแบบแบบทั่วๆ่วไปเป็นประมาณเพราะทั่วๆั่ไปเนี่ยชื่นชมยั่งยืนได้ไหมไม่ได้หรอกเนี่ยนะไม่ใช่มาตรฐานที่แท้จริงอะไรมันก็ต้องแบบอนุโมทนาแบบพระพุทธเจ้านี่แหละซึ่งพระพุทธเจ้าก็อนุโมทนาพระมหากสปะถ้าพระพุทธเจ้าอนุโมทนาพระมหากสปะนะถ้าเราแหม อยากจะรู้พระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบค้นเลยประวัติพระมหากรสปะพระพุทธเจ้าชื่นชมพระนนทเนี่ยค้นประวัติพระนนเรียนรู้เอาพระนนนีเนี่ยเป็นอาจารย์เหมือนกันนะพระพุทธเจ้าชั้นเสริญพระมารักษ์สปะพระเรวตะพระพุทธเจ้าชมใครเอาท่านเหล่านั้นเนี่เป็นครูบาอาจารย์เพาซึ่งท่านเหล่านั้นก็อยู่ในพระไตรปิฎกอยู่แล้วเนี่ยบางคนก็บอกโอ้ยทุกวันหาอาจารย์ยากยากเปิดอ่านพระไตรปิฎกบ้างหรือเปล่านะจะเอาว่าอรหันรุ่นไหนล่ะ จะเอารุ่นบรรลุเร็วรุ่นบรร ล, ลุปานกลางเอาบรรลุช้าหรือเอาบรรลุแบบแหม่น้ําตาไหลพากแล้วค่อยบรรลุเนี่ยนะจะเอารุ่นไหนก็ได้หมดในใ น, นพระไตรปิฎกเนี่ยนะบอกโอ้ยอาจารย์ระดับเรานะต้องอรหันย่างเดียวบอกใช่แนละ้วคุณต้องเรียนพระไตรปิฎกแล้วเพราะอาจารย์ระดับอรหรันต์ตสัมมาสัมพุทธเจ้าอุ้ยอรหันของเราต้องแบบมีปัญญาแทบจะนับดาวบนท้องฟ้าเออนั่นแหละไปอ่านพมพีภาษาฤาบุตรเถอะว่างั้นนะ ถ้าอย่างเงี้ถ้าแบบปรารถนาเก่งการขนาดไหนก็เอาตามแบบภาษาริบุตรเนี่ยนะบอกเอาเป็นพระที่ไม่ค่อยชอบเรียนเลยเอาพระเวัตตะล้กันเนี่ยนะท่านชอบเพ่งฌานก็ไปดูว่าท่านเพ่งอะไรเนี่ยนะไม่ใช่ว่าท่านแบบเออท่านก็เราก็คิดแบบเราท่านก็คิดแบบท่านบอกแม้ท่านเหมือนเราเนี่ยนะจะไปคิดอย่างนั้นเนี่ยนะอาจจะคนละ ง, งานก็ได้เนี่ยนะมาผิดงานกันก็ได้ มันพระพุทธเจ้าอนุโมทนากับพระมหากัสสปะที่บอกว่าเมื่อกัสสปะจะพยากรณ์โดยชอบก็พยากรณ์ตามนั้นเพราะอะไรเพราะกัสสปะตัวเองเป็นผู้อยู่ป่าเป็นวัดกล่าวสรรเสริญในความเป็นผู้อยู่ป่าเป็นวัดกัสสปะเป็นผู้ถือเที่ยวบินธบาทเป็นวัดก็กล่าวสรรเสริญคุณแห่งการถือเที่ยวบินธบาทเป็นวัดกัสสปะ ตัวเองเป็นผู้ถือไตรจีวรเป็นวัดก็ยังแนะนําสรนเสริญให้ผู้อื่นถือไตรจีวรเป็นวัดตนเองเป็นผู้มักน้อยสันโดษสงัดไม่คลุกคลีปรารบความเพียรก็กล่าวซกย่องสรนเสริญแนะนําให้ผู้อื่นมักน้อยสันโดษไม่ไม่คลุกคลีวิเวกปรารบความเพียร กัสปะเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะและกัสปะก็ยังชักชวนบอกกล่าวแนะนําสั่งสอนเชิญชวนให้ผู้อื่นถึงพร้อมด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญานนณทัศนะเพิ่อนคำพู้ที่พระหมหากสปะพยากรณ์ตอบนั้นถูกต้องแล้วพระพุทธเจ้าอนุโมทนานีนต่อไปภาษาริบทก็กลับเรีกลับทูล ให้พระผู้มีพระภาคเจ้าสุดทาตต่อไปว่าข้อส8 0แปดสิบหน้าสาสิบสามข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อท่านพระมหากัะสปะกล่าวอย่างนี้แล้วข้าพระองค์ก็ได้กล่าวกับท่านพระมหาโมฆลลานะว่าดูก่อนมหาโมคลลานะ ปฏิภานตามที่เป็นของตนท่านพระมหากัสริยก็พยากรณ์เสร็จแล้วบัดนี้เราจะขอถามท่านพระมหาโมคลานะในข้อนั้นว่าป่าโคสิงค่าสารวันเป็นสถานที่น่ารื่นรมราตรีแจ่มกระจางไม้สาะมีดอกบานสะพรั่งทั่วต้นกลิ่นคล้ายทิพย่อมฟุ้งไปดูก่อนท่านพระมหาโมคลานะป่าโคสิงฆ่าสารวันเจเพริ ง, งามด้วยพิสุเห็นปานไร เมื่อข้าพระองค์กล่าวอย่างนี้แล้วท่านพระมหาโมคคัลลานะก็กล่าวตอบข้าพระองค์ว่าดูก่อนท่านสารีบุตรภิษุสองรูปในศาสนานี้พึงกล่าวอภิธรรมกถาเรียกว่าอภินี่แปลว่ายิ่งธรรมะเนี่ยก็คือธรรมอันยิ่งเธอทั้งสองนั้นถามกันและกันสอบถามกันและกันถามปัญหากันแล้วย่อมแก้ปัญหากันอย่างไม่หยุดพัก ธรรมมักถาของเธอทั้งสองนั้นย่อมเป็นไปด้วยดูก่อนสารีบทปาโคสิงฆะสาราวันจะพึงงามด้วยภิกษุเห็นปานี้พระพุทธเจ้าว่านุโมทนาวาสาธุสาธุสารีบรโมคคลานะเมื่อจะพยากรโดยชอบพึงพยากรตามนั้นแหละเพราะมหาโมกคลานะเป็นธรรมมักถึกนี่นะพระโพคลานะอัถกถาอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับรธรรมมักถึกหน้า49 สองบรรทัดสุดท้ายเป็นต้นไปว่าท่านพระมหาโมคลานะถึงที่สุดแห่งสมาธิบารมีเพราะฉะนั้นลำดับจิตที่สุขุมนะความเป็นไปแห่งจิตความสืบเนื่องไปแห่งจิตอาวัชนะจิตอนันตระจิตเป็นต้นเนี่ยนะสิ่งเหล่านี้พระมหาพระมหาโมคลานะแทงตลอดด้วยดี แทงตลอดความเป็นไปแห่งจิตทั้งจิตที่มีราคะจิตปราศจากราคะจิตมีโทสะจิตปราศจากโทสะจิตมีโมหะจิตปราศจากโมหะจิตหดหูฟุ้งสั้นเนี่ยนะจิตมีจิตอื่นยิ่งกว่าไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าเป็นต้นนั้นลำดับแห่งความคิดเหล่าใดที่ไหลสืบเนื่องไปเป็นไปพระมหาโมกลานะมองเห็นเป็นอย่างดีเหมือนกับอะไรเหมือนกับคนที่ยืนอยู่บนบก มองเห็นกระแสน้ําที่ไหลเนี่ยนะเป็นน้ําใสสะอาดที่พรั่งพร้อมไปด้วย น, นะเหล่าศัตรูที่แหวกว่ายอยู่ในน้ําพระมหาโมคลานะก็มองเห็นความไหลสืบเนื่องไปแห่งกระแสความคิดอย่างนั้นมนสิการโดยลําดับแห่งขันเป็นไปสืบเนื่องอย่างไรอายตนะไหลาสืบเนื่องกันไปอย่างไรธาตุทั้งหลายไหลสืบเนื่องกันไปอย่างไรเนี่ยนะข่ารอบรู้ในขันอายตนะธาตุขณะเดียวกันพระโมคลานะเชี่ยวชาญในการเข้าฌาน นะในการก้าวลงสู่อารมณ์ว่าอารมณ์เหล่านี้ให้เกิดปฐมฌานได้คือคิดง่ายๆว่าสีอย่างนี้เป็นอารมณ์ของมหากุศนได้สีแบบนี้เป็นอารมณ์ของสีเป็นอารมณ์ของจิตกี่ดวงอย่างเงี้นะเสียงเป็นอารมณ์ของจิตกี่ดวงกลิ่นเป็นอารมณ์ของจิตกี่ดวงเนี่ยนะ อาณาปานสติเป็นอารมณ์ของจิตชนิดใดบ้างเนี่ยนะแล้วเปลี่ยนจากความคิดหนึ่งไปสู่ความคิดหนึ่งได้อย่างไรคิดอย่างไรเป็นกา ม, มาวจรรูปาวจรอรูปาวจรแล้วในหนึ่งความคิดเนี่ยประกอบด้วยองค์ความคิดอะไรบ้างและอารมณ์ตัวนั้นอ่ะประกอบด้วยอะไรเนี่ยแล้วการตัดองค์เนี่ยเช่นการตัดระดับความคิดน่ยละความคิดแต่ละอย่างออกไปเนี่ยทำได้อย่างไรการแหวกอารมณ์เปลี่ยนจากอารมณ์หนึ่งไปสู่อารมณ์หนึ่งอ่ะ เป็นอย่างไรแล้วจิตอย่างไรควรเจริญโดยส่วนเดียวจิตอย่างไรควรเจริญโดยสองส่วนเป็นต้นเพราะฉะนั้นความรอบรู้ความสามารถแบบนี้คนที่เรียนอภิธรรมมาเป็นอย่างดีเท่านั้นจึงจะเข้าใจเนี่ยแต่คําว่าเรียนอภิธรรมเป็นอย่างดีเนี่ยก็ต้องดูให้ดีเนี่ยนะว่าไม่ใช่ท่องชื่อจิตได้มากเท่านั้นนะก็ต้องอมีความเข้าใจว่าอภิธรรมในชีวิตที่เป็นจริงคือสามารถเรียนแล้วก็เอามาใช้ในชีวิตที่เป็นจริงไม่ใช่ เอาแต่สับเนี่ยมาใช้จนหน้าหมันไส้เนี่ยนะไม่ได้แปลว่าอย่างนั้นเนี่ยนะคือบางทีเนี่ยนะบางทีบอกว่าเหมือนการเรียนอภิธรรมเยอะพูดศัพท์วกไปวนมาเท่านั้นเองเนี่ยนะไม่ได้มีความเข้าใจอย่างแท้จริงอะไรสักเท่าไหร่ถ้าอย่างนี้จริงๆเนี่ยชื่อเหรอยิ่งเรียนมากยิ่งฟุ้งซ่านมากเนี่ยนะก็เปลี่ยนได้ว่ามีชื่อเป็นภาษาบาลีเยอะจําได้มากเออเนี่ยบาลีอันนี้เขาเรียกว่าอะไรอันนั้นอะไรนะ สัมปติช น, นะสันติระนาโวทพัพนาชาวนะที่หนึ่งปฐมชาวนะทุติยะชาวนะตาติยะชาวนะตถ า, าลัมมนณะเนี่ยนะอันนี้ผวังจุติปฏิสนที่เนี่ยนะแล้วถามว่าจริงแล้วสิ่งเหล่านั้นมันคืออะไรบอกไม่รู้เนี่ยนะถ้าอย่างนี้มันก็น่าน่าเป็นห่วงเหมือนกันนะน่าจัดใจเหมือนกันเนี่ยนะแล้วว่าอภิธรรมอยู่ที่ไหนเขาเนี่ยเพราะผู้ที่เรียนอภิธรรมหมายาว่าเรียนแล้วสามารถประมวลเอามาพิจารณาในชีวิตที่จริงๆเนี่ยนะคือมองเห็นเข้าใจเนี่ย ไม่ใช่ไปที่ไหนบอกว่า้ยเธอไม่เรียนอภิธรรมมาคุยกันไม่รู้เรื่องหรอกอย่างนั้นอ่ะฉันเนี่ยเรียนอภิธรรมมาฉันจึงรู้เรื่องอันนี้ก็ไม่ใช่แน่นอนเนี่ยนะไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการศึกษาพระอภิธรรมไม่ใช่เรียนเอาไว้ข่มคนอื่นมาแม่ฉันนั้นนักอภิธรรมเธอไม่ใช่นักอภิธรรมบอกแมอภิธรรมทุกวันนี่มันเสื่อมมากเหลือเกินอย่างนั้นอย่างเงี้เชื่อไหมไอ้ที่เสื่อมเน่ยเพราะนักเรียนอภิธรรมนั่นแหละไปทําให้คนอื่นเขาเสื่อม เพราะพูดมากจนคนอื่นก็หมั่นไส่บอกว่าถ้าเรียนแล้วฉันจะต้องเป็นอย่างนี้นะฉันขอเลิกเรียนดีกว่าเพราะอะไรกลัวจะได้คนเนี่ยเป็นตัวอย่างเนี่ยนะคือจริงๆอ่ะวิชาเขาไม่ได้รังเกียจหรอกแต่เขารังเกียจไอคนที่มีวิชานี้มันยังไงกันแน่เนี่ยนะกลัวตัวเองจะไปเป็นแบบนั้นมั่งนั้นก็เมื่อเรียนแล้วก็ต้องเอาอะไรมาส่องดูบ้างเนี่ยนะส่องดูบ้างว่าเอเนี่ย ถ้าเราเองเนี่ยคนอื่นเขารู้ว่าจะเร า, เราเองเน่ยถ้าเราเป็นคนอื่นมองกลับมาเนี่ยมันน่าเลื่อมใสไหมเน้อมีความรู้แบบเราเนี่ยนะน่าพอใจบ้างไหมเนาะสบายใจบ้างไหมเน้อเนี่ยนะมันก็ต้องพยายามที่จะจําแนกสังเกตแยกแยะให้ดีไม่ใช่วิชาเหล่านี้เป็นเหมือนกับมีดาบเอาไว้เชื้อเฉือนประหัดประหารเที่ยวขมเที่ยวขนาบคนอื่นเขาเนี่ยนะกลายเป็นคนที่อะไรตากล้าขาดเมตตาอย่าง ชนิดที่เรียกว่าพูดให้คนอื่นแทบกะอักกระอวนเนี่ยนะท้องไส้เขาปั่นป่วนไปหมดเนี่ยนะไม่ใช่แบบนั้นเนี่ยนะ